ทรงประชุมทรง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีประภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสูจชาวพะกีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอมีบาดแต่เพียงเล็กน้อยบ้างบาทกระเทาะเพียงเล็กน้อยบ้างบาทมีรอยขูดขีดเพียงเล็กน้อยบ้างก็ออกปากขอบาทมาเป็นอันมากจริงหรือพวกพิสูจชาวพะกีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า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 ให้ภิกษุตั้งหลายยกสกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้